วันนี้ที่กรุงเทพมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่าพร้อมๆกันเลยก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับข่าวความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งสังกราสเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็จะว่าไปก็เป็นเป็นนินมิตหมายที่ดีเกี่ยวกับ ประสงค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาในเมืองไทย <c oughs> แต่ก็คงจะไม่เคยเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะเป็นเพเป็นเหตุการณ์เล็กๆสองสองเหตุการณ์นี้ก็ที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเกิดขึ้นประจวบเหมาะกันวันเดียวกันนะเวลาเดียวกันคือเวลาบ่ายโมง เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สวนโมกุงเทพเหตุการณ์ที่สองก็เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์เหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองนี้เป็นเป็นการบรรยายและเสวนานเรื่องบวชต้นไม้ แล้วก็เปิดตัวหนังสือด้วยนะเปิดตัวหนังสือชื่อเดียวกันชื่อบวชต้นไม้ซึ่งเขียนโดยฝรั่งนะสุซสานดาลิงตันซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบวชต้นไม้รู้เรื่องรู้ลึกมากที่สุดนะในโลกก็ว่าได้เป็นฝรั่งไม่ใช่คนไทย พอเข้ามาทำศึกษาเรื่องนี้นะตั้งแต่เรียกว่าจบใหม่ๆก็ได้จบปริญญาเอกใหม่ๆเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วอีเหตุการณ์หนึ่งนี้ก็เป็นการจะเรียกว่าเป็นสัมมนาสัมมนาหรือว่าปรึกษาหารือกันก็ได้นะ เรื่องวัดบรรดาใจอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของอาสมศิ์นอาสมศินนี่ก็เป็นมาที่ไยแบบหนึ่งเขามีโครงการที่จะช่วยเหลือวัดในเมืองแล้วก็ในเขตเมืองเพื่อให้เป็นที่ ที่เหมาะกับการเรียนรู้เพิ่มภูนสติปัญญาหรือว่าเพิ่มหรือว่าสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับให้กับผู้คนก็มีการบรรยายมีการอภิปรายแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือเหมือนกันหนังสือกอ็ชื่อสั้นๆว่าวัดบัรดาลใจแล้วกัน เป็นงานศึกษาวัดสี่วั ด, วดในเมืองไทยกรุงเทพเมืองนนท์แล้วก็ถัดใหญ่อีกวัดหนึ่งจำไม่ได้ที่เขามีการปรับตัวมีกิจกรรมที่ดึงคนเข้าวัดหรือกิจกรรมที่ทำให้วัดนี้กลับมามีความหมายใหม่ในสังคมเมือง ผมก็เกี่ยวข้องกับสองโครงการนี้ด้วยเพราะว่าหนังสือสองเล่มเขก็ให้เขียคำนคํานําเรื่องการบวชต้นไม้เนี่ยนะก็เมื่อสักสามสิบเกือบสาสิบปีทีแ้วนี่ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะเพราะว่าเริ่มพอเริ่มมีคนมีพระเนี่ยเริ่มทําการบวชต้นไม้ครั้งแรกเนี่ยที่ สมัยก่อนก็คือเชียงรายอย่างนี้เป็นพะเยาแล้วมั้งแยกจังหวัดออกมาพระครูมณฑนาทิพิทาท่านน่าไม่ใช่พระครูมัฑนาทีพระครูที่ท่านที่วัดทหงหนึ่งในเชียงรายท่านบวชต้นไม้เพื่อรักษา ป, ป่าก็เป็นข่าวใหญ่โตนะ ชื่นชมก็มีที่วิภาวิจารณ์ก็มีเขาบอกว่าที่วิจารณ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องงมงายมีที่ไหนบวชต้นไม้ไมิค้นมีแต่บวชคนนะไม่มีในพระไตรปิดกนะที่จริงการบวชต้นไม้เนี่ยมันก็คือการทำบุญต้นไม้มน ก็เหมือก็บทำบุญบ้านนะเวลาทำบุญบ้านก็ไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเป็นเรื่ององมงายหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่พอบวชต้นไม้ก็เป็นเรื่องราวนะเพราะว่าเหตุผลหนึ่ยเป็นเพราะว่ามีการเอาผ้าเหลืองมาคลุมมาผูกรอบต้นไม้ และแทนที่จะเรียกว่าทาบุญต้นไม้ก็เรียกว่าบวชต้นไม้าคนติดใจเรื่องบวชคำว่าบวชแต่คำนี้ก็ติดตลาดเร็วนะถ้าใช้คำว่าทาบุญต้นไม้นี่คงจะไม่ไม่เป็นข่าวหรือว่าไม่ติดปากผู้คนเร็วแต่าบวชต้นไม้นี่มันก็คนก็จําง่าย ทำไมถึงทำเหมืนกัก็เพราะว่าเมื่ออย่างสาสิบปีที่แล้วมันมีการสัมปทานให้ยังมีกฎหมายที่อ น, นุญาตให้สัมปทานป่าไมา้แล้วก็ไปพวกในทุนก็ไปตัดต้นไม้บางทีก็บางทีก็ไปลุกล้ําหรือบางทีก็ไปไปได้ที่ที่มันเป็น ป่าที่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันในเชิงคอร์รัปชันระหว่างข้าราชการกับในทุนแต่ป่านี่ก็ป็นเป็นที่ที่ชาวบ้านนี่เขาผูกพันนะพึ่งพิงพอไปตัดต้นไม้มันก็เดือดร้อนชาวบ้าน <c oughs> ก็มีการประท้วงกันชาวบ้านปะท้วงก็ปะท้วงไม่ไหวตอนหลังพรพลาก็มาร่วมช่วยท่านก็มา ท่านก็มีความคิดน ะ, ะบวชต้นไม้ดีกว่าเอาผ้าเหลืองมามาคลุมมาผูกนะมันก็ได้ผลนะชาว บ, บ้านนี้ก็เกิดความตื่นตัวขึ้นคนที่จะมาลักตัดไม้ก็ไม่กล้าส่วนนายทุนก็ ถูกต่อต้านมากขึ้นที่การบวชต้นไม้เมื่อตอนแรกๆนี่มันกลายเป็นที่เรื่องที่มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันขาดผลประโยชน์ในทุนในทุนนี่ก็คุมสื่อแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นความเห็นของคนที่คล้ายๆว่าเคร่งเคร่งธรรมะนะพวกที่ เรื่องธรรมะนี่ก็จะบอกว่ามันไม่มีในกระไตรปิดกมันเป็นเรื่องงมงายแต่ไม่ได้เหลียวมองให้รอบรอบว่ามันมีพิธีกรรมหลายอย่างที่มันไม่มีในกระไตรปิดกมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังแต่คนก็ยอมรับ ก, กันอาจเป็นเพราะไม่ได้ขัดความประโยชน์ของใครหรือเป็นเพราะว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ไม ไม่โดดเด่นออกมาเช่ น, นทำบุญบ้านหรนือสวนมนข้ามปีนี่นะนั่นก็เป็นของใหม่พิธีกรรมทั้งหลายในคุณศาสนาเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นคือไม่มีในพรใจตรปิดกแต่ว่าคนเรามักจะมีความคิดในเชิงสองมาตรฐานนะคือของเก่าก็ไม่ ไ, มไมด้ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดหูผิดตาแต่ถ้าอะไรมันแปลกแปลกใหม่ก็จะอีกมาตรฐานหนึ่งมา มาวัดมาวิภาวิจาร์มาตีกรอกแต่ว่าเนื่องจากคำว่าบวต้นไมน้มันเป็นคำที่คนเข้าใจง่ายก็เลยแพร่หลายตอนหลังพระประจักษ์เนี่ยก็เอาการบวต้นไม้เนี่ยมาใช้ในการรักษากป่าที่ป่าดงใหญ่เมื่อประมาณปีสามสามสามสี่ 4, ซึ่งตอนนั้นก็ เป็นเรื่องเป็นลาวกันนะเพราะว่านายทุนก็จะได้ป่าที่นั่นเนีย่ยได้ป่าคือได้สัมปทานนะแล้วก็ไม่เชิงได้สัมปทานนะั้นมันมีการลักลอบตัดไม้กันโดยนายทุนเนี่แล้วก็ราชการก็ลว ม, มือเพประจักษท่านก็ต่อต้านก็ทำให้การบวชต้นไม้เป็นเป็นเป็นข่าวคราว ที่สุกต์หลงนี่ก็บวชต้นไม้นะปีสามสามปัญหาเจอกันนะคนมันลักตัดไม้สมัยก่อนนี่เดินจากกุฏิสิบไปไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรนี่ก็เห็นต้นไม้ถูกตัดแล้วเดินไปไกลหน่อยก็ดินเสียงเลื่อยยนต์ละกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะก็ดินเสียงทิ้งไม้ลงมาจากหลังสามภนะูสามชั้น เขาทิ้งไม้ลงมาเสียงเสียงไม้กระทบพื้นเนี่ยเรียกว่าทุกคืนเลยก็ว่าได้มันขนาดนั้นนะก็เลยทำการบดต้นไม้ก็มีชาวบ้านมาร่วมหลวงพ่อก็มาร่วมสื่อมวลชนก็มาอ่างเนบ้างบางกอกโพสแล้วก็พวกช่องเก้าหรือช่องสามเนี่ยจำไม่ได้ อาสามาทอที่จริงเรื่องการปลุกต้นไม้นี่มันก็เป็นเรื่องที่บางคนก็ตั้งคําถามว่าทาไมพระมาเกี่ยวข้องด้วยทําไมพระไม่อยู่วัดทําไมพระไปไปรักษาป่าทีจริงอันนี้เนี่ยถ้าถ้าเข้าใจประเพณีของของพระสมัยก่อนก็คงไม่ถามอนะเพราะพระสมัยก่อนเนี่ย แล้วก็ทังพระสมัยนี้ในชนบทเนี่ยก็จะปูพันกับชาวบ้านกิ่งสมัยก่อนนี่พระนี่ท่านเป็นศูนย์กลางของชุมชนเลยพระนำชาวบ้านพัฒนาสร้างสะพานขุดบอ่อน้ำสร้างถนนอย่างเนี่ยครูบาศีวิชัยเนี่ยนะท่านก็พาชาวบ้านเนี่ยสร้างถนน จริงนี่มันก็เป็นงานของรัฐบาลน่นนะแต่ว่าไม่มีปัญญาธรำเพราะเป็นงานใหญ่นะี่คุณบาสีวิชัยก็พาชาวบ้านเนี่ยขุดถนนขึ้นไปถิ่นดอสุเทพนี่คืองานหนึ่งนะเป็นหน้าที่หนึ่งของพระในสมัยก่อนคือแม้เป็นเรื่องทางโลกนะแต่ว่าโลกกับธรรมก็ไม่ได้แยกกันนะสมัยก่อนนะมีพระเป็นตัวเชื่อม วิชาความรู้ทางโลกสมัยก่อนก็อยู่ที่วัดนั่นแหละนะความรู้แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มันไม่มไ ม, ม, ไ ม, ไม่ที่โรงเรียนเพราะมันไม่มีโรงเรียนความรู้ในเรื่องการทำมหากินความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็อยู่ที่วัดหมดแต่มาเรียนหนังสือก็มาเรียนที่วัดมาเรียนอะไรไม่ได้เรียนธรรมะนะไม่ไปต้องเรียนธรรมะก็ได้เรียนเรื่องอ่านออกเขียนได้วิชา หลอพระวิชากระบี่กระบองแม้แต่ชกมวยนี่ก็ <c oughs> ก็เรียนที่วัดวิชาการทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ยมันรวมศูนย์ที่วัดนะและกรมพละดำรงราชา น, นุภาพเนี่ยซึ่งเป็นคนราการที่ห้านี่บอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวังมีอะไรเนี่ยวังมีความรู้อะไรเนี่ยวัดก็มีความรู้อย่างนั้นความรู้ในวัด วัดมหาวัดวัดมหาธาตุเนี่ยพระที่มีความรู้ในวัดมหาธาตุเนี่ยความรู้ที่สอนกันที่วัดมหาธาตุเนี่ยนะไม่ได้ต่างจากความรู้ที่สอนกันในวังเลยสมัยรกาลที่สี่นี่จะจะหล่อพระเนี่ยก็ต้องก็ต้องประกาศนะระดมนะระดมพระในต่างจังหวัดเนี่ยมาช่วย มาช่วยเป็นกําลังในการหล่อพรนะในกรุงเทพนะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องความวิชาการทางโลกในะสมัยก่อนเนี่ยวัดนี้เป็นศูนย์กลางเลยโดยเพพาะในชนบทในเมืองด้วยก็ ด, ยกด้วยนะวัดมหาธาตุเนี่ยนนเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรบางทีเจ็บป่วยมาก็มาม า, มาที่วัด พระท่านก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรนะแล้วก็ทั่งความรู้เรื่องพิชัยสงครามนี่ก็พระสมัยก่อนก็มีความรู้ไม่น้อยสามารถให้คําแนะนําได้คําแนะนําในเชิงป้องกันนะไม่ใช่ไปคําแนะนําในเชิงไปไปสู้รบบุกรุกเขานะป้องกันเมืองเพราะฉะนั้นพระนั่นก็อ่า ก็เลยมีความความรู้แล้วก็สามารถจะช่วยเหลือญาติโยมได้ช่วยเหลือชุมชนได้จนกระทั่งสามารถจะนำพาชาวบ้านพัฒนาแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านมันก็เริ่มขาดตอนลงนะเมื่อเมื่อมีรัฐบาลี่เขามีนโยบายพัฒนาประเทศ เรืงแต่สมัยการที่6แนละ้วเช่นมีโรงเรียนรัฐบาลก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาสร้างโรงพยาบาลขึ้นมามีสถาร์เราสถาบันทางสังคมเกิดขึ้นมากมายที่อยู่นอกวัดมีสถานสงเคราะห์คนชราแต่ก่อนคนแก่ก็มาอาศัยวัดเป็นเป็นที่และเป็นที่พึ่งพิงนะ พอมีโรงเรียนเนี่ยคนก็ไม่ต้องมาเรียนที่วัดแล้วก็มาไปเรียนที่โรงเรียนพอมีโรงพยาบาลคนเจ็บป่วยก็ไม่ต้องมาที่วัดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพอมีสถานสงเคราะห์นะคนแก่คนชราเด็กกาพร้าก็ไม่ต้องมาวัดแล้วก็ไปที่สถานสงเคราะห์บทบาททางโลกกับทางธรรมก็เริ่มแยกเริ่มแยกจากกาันพระก็ถูกคาดหมายว่าให้ทาแต่เรื่องธรรมะ ส่วนเรื่องทางโลกนี่ก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของบ้านเมืองไปอันนี้มาเริ่มสายการที่หกนะอันนี้พระนี่ก็ถูกดีกลอให้เหลือแค่บทบาททางธรรมแล้วตอนหลังก็กร่อนไปเหลือแค่บทบาททางด้านพิติกรรมส่วนเรื่องทางโลกนี่ก็ถือว่าพระไม่เกี่ยวทั้งที่เกี่ยวมาตลอดมาหลายศตวรรษ สมัยการที่เจและกาที่แปดนี่พระนี่ถูกห้ามเรียนนะภาษาอังกฤษนะ่ะถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นเรื่องทั้งโลกนะเรื่องวิชาคณิตศาสตร์พระก็ไม่ต้องเรียนทั้งที่สมัยรการที่ห้านี่วัดปัววอนี่เป็นศูนย์กลางเลยนะพระนี่ควรู้ภาษาอังกฤษดีความรู้ภาษาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ก็ดีความรู้ด้นาน ว, วิทยาศาสตร์ก็มี พราวาการที่หานี้พระนี่เป็นผู้นำเอาความรู้แผนใหม่ไปเผยแพร่ในในชนบททั่วประเทศภาษาไทยที่ที่ที่ภาษาไทยเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ได้ใช้เป็นเป็นภาษาสำหรับ ก, การสื่อสารกันนะ ถ้าเป็นเรื่องวิชาธรรมะก็ใช้ภาษาขอมอใช้อักษรขอมและการที่หาต้องการเผยแพร่เรื่องการอานออกเขียนได้ด้วยภาษาไทยก็ให้พระนี่แหละเป็นผู้นำพระนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้นำเอาความรู้สมัยใหม่นี้ไปเผยแพร่ในชนบทความรู้ทั้งโลกทั่านั้นแหละรวมทั้งการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่คือการเรียนการสอนแบบใช้ห้องเรียน สมัยก่อนนี่การเรียนการสอนมันไม่ได้ใช้ห้องเรียนนะมันไม่มีคำว่าโรงเรียนสมัยก่อนก็อยากไปเรียนกับใครก็ไปที่วัดนั้นไปเรียนเรียนก็เรียนแบบหมอบกับพื้นนะไม่มีคำว่าห้องเรียนห้องเรียนนี่เป็นเป็นผลผลิตของฝรั่งนะ แล้วก็พระนี่แหละเป็นผู้นำเอาการสอนกันเรีงนการสอนห้องเรียนไปเผยแพร่ทั่วประเทศตามคำบัญชาของรัชกาลที่ห้าแล้วการที่ห้นี่ท่านเป็นสังฆราชโดยปริยายนะเพราะว่าพระบสมง์ร้อยสองหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเน่ยบอกว่ามหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัว หาเถรสมาคนไม่ได้ปกครองนณะสงนะ์นะมหาเถรสมาคนเป็นที่ปรึกษาของของพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องการพระาศาสนาและการคณะสงยิ่งมีช่วงหนึ่งไง1ิบกว่าปีเนี่ยสิบปีเนี่ ย, ยที่ไม่มีสังฆราชเลยเมืองไทยนี่ปลอดสังฆราชนี่หลายช่วงนะบางช่วงนานถึสามสิบปีนะคือปลายด้วยการที่สี่ถึงต้นด้วยการที่ห้าสองสี่ ส3 9 6ามเก้าหกถึงสองสี่สามสี่ไม่มีสังฆราชก็2ีสิบปดปีแล้วก็สองสี่สี่สองถึงสองสี่ห้าสามก็ไม่มีสังฆราชและการที่หาเป็นสังฆราชเองเลยคนไทยไม่ค่อยรู้นะอันนี้พอและการที่คนมันเปลี่ยนนโยบายต้องจบเมืองนอกมาท่านก็เห็นว่าโลกกธรมำต้องแยกกันพระก็ยุ่งกับ พระก็สนใจเรื่องทางธรรมส่วนเรื่องทางโลกนี่รัฐบาลทําเองพอเอาเรื่องบริการสังคมมาออกนอกวัดพระก็เลยเหลือแต่บทบาททางธรรมแต่ก่อนคนเนี่ยคนต้องการมาศึกษากต้องต้องมาบวชพระก่อนมันมีคําว่าบวชเรียนเนี่ยก็บวชเรียนคือว่ามาเรียนเรื่องทางโลกด้วยเรื่องทางธรรมด้วย เมื่อบวชเรียนแล้วจบจึงจะเรียกว่าแต่งงานได้จึงเกิดประเพณีบวชก่นเบียรประเพณีบวชก่อนเบียรเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาบวชเพื่อทดแทนบนคุณพ่อแม่นะอันนั้นมันเรื่องรองเรื่องหลักเรื่องหลักคือมาเรียนมาเรียนเรื่องธรรมเรื่องกิริยามารยาทเรื่องวิ น, นัยแล้วก็มาเรียนเรื่องทางโลกบวชแล้วถึงจะมีความรู้เรื่อเป็นคนสุข พร้อมที่จะแต่งงานได้พร้อมที่เป็นผู้นำครอบครัวคราวนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็แม้กระทั่งผามาแล้วเป็นร0อยปีเนี่ยก็ยังมีพระที่คนยากจนที่อยากจะเรียนหนังสือก็ไม่มีช่องทางจะเรียนทางโลกก็มาเรียนมาเรียนในวัดนี่แหละวัดกสอน สอนแต่ก่อนก็สอนทางธรรมนะแต่กอนก็สอนทั้งทางโลกทางธรรมแต่ตอนหลังก็สอนแต่เฉพาะเรื่องธรรมก็คือสอนเช่นนักธรรมบาลีพระก็ต้องไปคนขวายไปเรียนทางโลกเองไปเรียนไปเรียนมจรอบางไปเรียนมหามกุฏบ้างแต่สมัยก่อนนี่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าในในวัดนี่มีเรียนครบหมด อันนี้พูดยานี้ก็เพราะว่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยพระในเมืองนี่ก็ไม่มีบทบาททางโลกแล้วเหลือแต่บทบาททางธรรมแต่พระในชนบทนี่ก็ยังมีบทบาททางโลกอยู่ก็เลยเกิดพระนักพัฒนาเกิดพระพัฒนาขึ้นช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องอาชีพเรื่องเรื่องความยากจนเรื่องการศึกษาอย่าหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านก็ก็มาสร้างศูนย์เด็กนะ ก็เพราะว่ามันเป็นการสืบประเพณีก็ว่าได้นะของพระแต่คนในเมืองอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระมายุ่งอะไรนะเรื่องพัฒนาหมู่บ้านเรื่องเรื่องศูนย์เด็กนะเรื่องสหกรณ์ข้าวถ้าคนที่วิจารณ์นี่ไม่รู้ธรรมเนียรไม่รู้ประเพณีของศาสนาหรือของคณะสงฆ์ไทยในอดีตว่าสิ่งเหล่านี้พระทํามาเป็นหลายร้อยปีแล้ว เพิ่งขาดช่วงเมื่อสมัยรการที่หจนกระทั่งถึงรัชถึงถึงกลางรัชการที่9ก้าพระพัฒนาเนี่ยไม่ใช่เป็นของแปลกของใหม่ เ, เป็นของที่มีมาเป็นของที่มีมาแต่เดิมเพียงแต่ว่ามีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากของเดิมอยู่บ้างเช่นบางทีก็มาทำตั้งสหกรณ์ข้าบางทีก็ บางท่านก็สร้างธนาคารควายสหากรร้านค้าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีในสมัยก่อนก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการประยุกต์บทบาทที่มีมาแต่เดิมตอนนี้พอพระรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องอานุมนูลอ์ป่นะก็เลยมีการ ก็เลยท่านก็ตื่นตัวที่จะอนุรักษ์นะก็ครูมนันัดนาทีพิทั้งเนี่ยองนี้ถูกแล้วนะท่านก็เลยนะเป็นคนเริ่มต้นบวต้นไม้ความคิดนี้ก็แพร่หลายไปทั่วนะอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ถูกต่อต้านตหลังก็เป็นที่ยอมรับเมื่อกลายเป็นกระแสหลักก็เลยเบือกันใหญ่ ตอนหลังถึงขั้นประเภทว่ามีโครงการบวดต้นไม้หกสิบล้านต้นถวายในหลวงนะตอนนี้ราชการทำเองเลยนะแต่ว่าราชการต่อต้านนะตอนนี้ทำเองเลยนะบวดต้นไม้หกสิบล้านต้นในโอกาสครบหกสบปีของราชในหลวงแล้วตอนหลังเนี่ยมีการประกวดนางสาวไทยก็ให้ผู้ประกวดนั่นแหละหรือนางสาวไทยนี่แหละมาบวชต้นไม้ด้วยนะ จากเดิมภาคเป็นคนบวชต้นไม้ต้นหลังนางงามนี่มาบวชต้นไม้แล้วเรียกบวชต้นไม้นะไม่รู้เรี่ยงมาได้งไงนะบวชต้นไม้ให้หนางงามเอาผ้าเหลืองมาผูกนะปีห้าสามห้าสี่นะี่แหละมันมีรูปถ่ายอยู่นะหนังสือเล่มนี้เขาก็มาเอามาพูดถึงนะว่าโอ้มันจากเดิมที่ถูกต่อต้านนะกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่าไปแนละ้ว สุสานดังต่า ง, งก็เอาก็ทำการศึกษามาต่อเนื่องนะแล้วก็จดกทั่งล่าสุดนี่เขาก็มาเขียนเป็นหนังสือก็มีการแปลนะแต่ว่าบัวต้นไม้ตอนนี้มันก็ซาๆาไปนะพร้อมๆกับกระบวนการพัสนงพัฒนานักพัฒนาก็ค่อยๆก็ซาไปผู้นำของ กระบวนการเหล่านี้ก็ค่อยค่อยล้มหายตายจากไปเช่นหลวงพ่อนานหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์พงศักดิ์อะไรี้ส่วนพระประจักษ์ก็ศึกไปแล้วก็บวดหมายก็ค่อยค่อยก็ไม่สร้างก็ก็ไม่ไม่ทำตัวเป็นข่าวอันนี้มันก็ก็หนังสือนันก็ชื่อห น, หนึ่ง พัฒนาการของพระนะพระสงค์ที่ทำงานเพื่อสังคมซึ่งก็ตอนนี้มันก็ค่อยๆค่อยๆแผ่วลงนะถ้าเป็นเมื่อสักยี่สิบปีก่อนนี่โอ้ยเรื่องพระพัฒนาพระอนุรักษ์ป่านี่เป็นเรียกว่ากระจับกระเชงมากนะเพราะว่ามีพระหลายรุ่นเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อน แล้วก็พระที่เป็นผู้นำก็ยังอายุไม่มากนะอายุหกสิบแต่ตอนนี้ก็ก็แผ่วลงแต่ว่าที่เป็นนิมิตดีก็ก็คือการที่เริ่มตื่นตัวกันในเมืองนะโครงการเนี่ยวัดบรรดาใจเนี่ยเา ก, ก็พยายามที่จะจะจะส่งเสริมให้พระเนี่ยให้วัดเนี่ยในเมืองขึ้นมา ทำงานเพื่อให้วันเนี่ยเป็นที่ที่น้าเข้าน่าน่าเรียนรู้เป็นที่ที่ส่งเสริมเป็นที่ที่เป็นสัปเพยะก็ใช้คำว่าสัพเพยะนะคือเกือกูลต่อการเรียนรู้ในทางธรรมและขณะเดกั น, น ก, ก็ตอบสนองความความต้องการทางสังคมของผู้คนด้วย เขาก็มีการวิจัยว่าศึกษาวัดสี่วัดนะที่มีบทบาทเด่นวัดหนึ่งก็คือวัดโพเผือกด้วยนะว่าวัดเหล่านี้ เ, เริ่มที่จะมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านอย่างไรบ้าง บางวัดก็ชวนอย่างวัดโพเผือก็ชวนชาวบ้านมาทำวัดเย็นทุกวันนะก็อยู่เมืงนองนนี่แหละนะก็ทำได้ต่อนเนื่องมาหลายปีบางวัดนี่ก็มีกิจกรรเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้ชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนหรือเรื่องให้เป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้มา ได้มาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องเกษตรเรื่องอาหารอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้ น, นก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านดีขึ้ น, นก็เลยเขาก็เลยอยากจะขยายไปสู่วัดอีกประมาณเกือบร้อยวัดนะทั่วประเทศก็เป็นงานใหญ่นะร้อยวัดเนี่ยเพราะว่าแค่แค่สิบวันนี้ก็ถือว่ามากแล้ว อันนี้ก็เป็นความจำเป็นนะเพราะว่าวัตถุวันนี้เนี่ยก็ค่อยๆค่อยๆซึดหมดบทบาทลงหรือเพราะในเมืองหมดบทบาทหรือแต่พิธีกรรมถ้าจะดึงคนเข้าไปก็ต้องหาทางเอากิเลสมาเป็นตัวล่อนะเช่นมีวัตถุมงคลนะมีการลดน้ำมนต์หรือว่ามีการสร้าง สร้างสร้างรูปขบรกเป็นเทวดาพระพิคเนตกวนอิมบางทีก็ราหูเพื่อที่จะดึงคนเข้าวัดแต่ว่าการเข้าวัดนี่มันไม่ได้เสริมสร้างสติ ป, ปัญญาเลยไม่ได้เพิ่มความงมงายเพิ่มความหลงเพิ่มกิเลสมากขึ้นแั้งทำไมถึงก็ดึงคนเข้ามาวัดเพื่อการเรียนรู้เรื่องชีวิตเพื่อการ เพิ่มพูนสุขภาวะทางจิตทางปัญญาจริงสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยทำหน้าที่หลายแบบ น, นะอยากจะมาสนุกสนานก็มาวัดเนี่ยเพราะว่างานวัดเนี่ยนะเวลเาติ่งเขาว่างานวัดเราก็นึกภาพออกนะว่ามันสนุกสนานยังไงบ้างนะเช่นงานวัดภูเขาทองนี่หรืองานวัดที่ที่วัดที่แก้งคอวัดชายสามหมอเนี่ย สมัยก่อนคนก็วัดเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการความบันเทิงด้วยวัยรุ่นมาจีบกันก็ที่วัดนั่นแหละไพรายแก้วก็ไปเจอกับนางพิมพ์แล้วก็ที่วัดอันนี้เราเป็นการตอบเป็นบทบาททางสังคมเป็นการตอบสนองความต้องการทางสังคมเพราะคนก็ต้องการสื่อสารสัมพันธ์กันวัดก็จัดสถานที่หรือกิจกรรมเพื่อให้คนได้มาพบปะกัน ที่วัดธรรมการ ก, ก็ทําบทบาทนี้นะหลายคนที่มาวัดเนี่ยก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะต้องการทําสมาธิภาวนาหรือว่าเพลงลูกแก้วอะไรหรอกนะเพียต้องการมีเพื่อนต้องการหาเพื่อนต้องการมาเจอสังสรรค์กันบางคนก็ต้องการมาสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นทางธุรกิจอันนี้ก็ไม่มีเรื่องเสียหายนะเพราะวัดก็สมัยก่อนก็ทําหน้าที่นี่แหละ แต่สิ่งที่อยู่ที่ว่าพอมาแล้วเนี่ยอะไรธรรมะอะไรที่จะให้กับชาวชาวบ้านมนัถ้าให้ความหลงความงมงาย<ม>เพิ่มพูนกิเลมก็ไม่ถูกนะแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยเออถือแม้จะมาเที่ยวแต่มาแล้วเจอธรรมะได้ฟังธรรมะติดใจน้อมในทางธรรมะความสู่ความสงบเย็นก็ดีมันต้องมีสื่ออย่างเงี้ยคนถจะมาวัด ซึ่งสมัยก่อนก็ทาได้สาเร็จนะคนก็มาวัดด้วยหลายเหตุผลมาเรียนหนังสือมาเรียนวิชากบีก่กระบองมาเรียนนะเรื่องอการหล่อพระนะการแกะสลักหรือแม้แต่การทอผ้าไอ้ที่สนใจมากๆก็มาเรียนเรื่องธรรมะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแต่เดือนี้พระไม่มีอะไรจะให้ชาวบ้านแนละ้ว นอกจากวัตถุมงคลอันนี้มันก็น่าเศร้านะหรือไม่ก็มาปลอบประโลมใจด้วยพิธีกรรมได้วยน้ำมนตะ์ที่จริงถ้าฟื้นฟูบทบาทของวัดนี่พระก็สามารถทําอะไรได้เยอะเรนะื่องก็จะเป็นการเกื้อกูลธรรมะด้วยแล้วก็เกื้อกูลโลกด้วยอันนี้ก็เลยในกิจกรรมสองกิจกรรมนี้ก็บังเอิญนะเขาจัดพร้อมกัน โดยที่ไม่ได้นัดหมายนะก็เป็นเรื่องเป็นก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเป็นแนวโน้มที่ดีที่ให้นว่าพลามีบทบาทอะไรบ้างมันก็เป็นการเพิ่มมุมมองนะให้คนได้รับรู้ว่าพายไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆเดียวนะไอ้ที่ดีๆก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่เคย มันก็ไม่คงจะไม่สามารถจะสร้างเป็นประเด็นข่าวได้มากถ้าเกเรื่องราวที่แย่ๆเช่นนี้ตอนนี้ความขัดแย้งันเรื่องพระสังฆราชอาแล้วก็ชาญวุนิ้รรมินทรบ